ตำนานวันศาสจีนวันศาสจีนหรือเทศกาลศาสจีนนับว่าเป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งตรงกับวันที่15เดือน7ตามปฏิทินจันทรคติของจีนลูกหลานจะได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษโดยการสัญหาของมงคลต่างๆมาเซนไหว้ทาให้เทศกาลศาสจีนมีสีสันการจัดจ่ายใช้สอย ของเส้นไหว้กันอย่างคับข้่งเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่น่ากลัวที่สุดตามตำนานจีนบอกว่าประตูนรกจะเปิดปล่อยดวงวิญญาณออกมารับของเส้นไว้ตามธรรมเนียมของไว้จะประกอบไปด้วยชุดอาหาร3ามชุดดังนี้ชุดแรกเป็นอาหารสําหรับไหว้เจ้าที่จะทําการไหว้ในตอนเช้าซึ่งมีทั้งอาหารคาวหวานขนมไหว้ที่นิยมก็คือกุ้ยช่ายขนมถ้วยฟู ขนมปุยฝ้ายขนมเทียนขนมเปี๊ยะโดยเฉพาะขนมเข็งต้องมีจุดสีแดงแต้มไว้ตรงกลางเนื่องจากชาวจีนเชื่อกันว่าสีแดงคือสีแห่งความเป็นสิริมงคลนอกจากนั้นควรจะมีน้ำชาผลไม้เหล้าจีนหรือกระดาษเงินกระดาษทองด้วยชุดที่สองเป็นอาหารสำหรับไหว้บรรพบุรุษจะคล้ายกับอาหารไหว้เจ้าที่ แต่จะเพิ่มอาหารที่บรรพบรุษชอบเช่นหมูเป็ดไก่เป็นต้นและต้องมีน้ำแกงหรือน้ำใสๆวางข้างชามข้าวสวยและน้ำชาตามจำนวนของบรรพบรุษรวมไปถึงกระดาษเงินกระดาษทองโดยเชื่อกันว่าให้บรรพบรุษนาไปใช้ในภพภูมิของตนชุดที่สามเป็นอาหารสำหรับไหว้ผีเรร่อน สัมภเวสีซึ่งหมายถึงดวงวิญญาณที่เร่ร่อนไม่มีญาติไม่มีลูกหลานกราบไหว้เรียกว่าฮอเฮียตีโดยจะไหว้นอกบ้านอาหารที่ไหว้ก็จะมีทั้งอาหารคาวหวานและผลไม้ที่สำคัญคือเหล้าขาวเส้นมีน้ําชาและกระดาษเงินกระดาษทองอาหารที่ใช้ไหว้ต่างๆเหล่านี้มีความหมายคือความเป็นสิริมงคลซึ่ง ไก่หมายถึงความสง่างามยศและความขยันขันแข็งก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็ดหมายถึงสิ่งบริสุทธิ์ความสะอาดความสามารถอันหลากหลายปลาหมายถึงเหลือกินเหลือใช้อุดมสมบูรณ์หมูหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ปราหมึกหมายถึงเหลือกินเหลือใช้ เหมือนปลาบะมียาวหรือมีซัวหมายถึงอายุยืนยาวเม็ดบัวหมายถึงการมีบุตรชายจำนวนมากทั่วตัดหมายถึงแท่งเงินสาหร่ายทะเลดำหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยหน่อไม้หมายถึงการอวยพรให้ร่ารวยผาสุก ข, ขนมเข่งขนมเทียนหมายถึง ความหวานชื่นราบรื่นในชีวิตขนมไข่หมายถึงความเจริญเติบโตขนมถ้วยฟูหมายถึงความเพิ่มพูนรุ่งเรืองเฟื่อง ฟ, งฟูขนมสาลี่หมายถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูซาลาเปาหรือหมั่นโถหมายถึงไหวเพื่อให้เป่าใช้แปลว่าห่อโชคกล้วยหมายถึงกักโชคลาบเข้ามา และขอให้มีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองแอปเปิลหมายถึงความสันติสุขสันติภาพส้มสีทองหมายถึงความสวัสดีมหามงคลอ่างูนหมายถึงความเพิ่มพูนสาลีหมายถึงโชคลาภมาถึงแต่สาลีจะไม่นิยมไหวบรรพบุรุษและวิญ ญ, ญาณไร้ญาติ ได้มีตำนานหนึ่งได้กล่าวไว้ว่ามีชายหนุ่มผู้หนึ่งมีนามว่ามู่เหลียนเป็นคนเคร่งครัดในพุทธศาสนามากผิดกับมันดาที่เป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่เคยเชื่อเรื่องนรกสวรรค์มีจริงปีหนึ่งในช่วงเทศกาลกินเจนางเกิดความหมั่นไส้คนที่นุ่งขาวห่มขาวถือศีลกินเจนางจึงให้หมู่เหลียนไปเชิญพูดถือศีลกินเจเหล่านั้นมากินอาหารที่บ้าน โดยนางจะทําอาหารเลี้ยงหนึ่งมือ้อผู้ถือศีลกินเจต่างพลอยยินดีที่ทราบข่าวว่ามารดาของมู่เหรียญเกิดศรัทธาในบุญกุศลครั้งนี้จึงพากันมากินอาหารที่บ้านของมู่เหรียญแต่หาทราบไม่ว่าในน้ําแกงเจนั้นมีน้ํามันหมูเจีอปล์อยู่ด้วยการกระทําของมารดามู่เหรียญ น, นั้นถือว่าเป็นกรรมหนักเมื่อตายไปจึงตกนรกอเวจีมหานรกขุมที่แปเป็นนรกขุมที่ลึกที่สุด ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเมื่อมูเหลียนคิดถึงมารดาก็ได้ทอดกายทิพย์ลงไปในนรกภูมิได้รู้ว่ามารดาของตนกำลังอดอยากจึงป้อนอาหารแก่มารดาแต่ได้ถูกบรรดาพูดผีที่อดอยากดูมแย่งไปกินหมดและเมล็ดข้าวสุกที่ป้อนนั้นกลับกลายเป็นไฟเผาไหม้ริมฝีปากของมารดาจนพุพองด้วยความกรตันยูและสงสารมารดา ที่ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสมู่เหลียนได้เข้าไปขอพยาเงี่ยมล่ออ๋องที่เป็นยมพบาลว่าตนขอรับโทษแทนมันดาแต่ก่อนที่มู่เหลียนจะถูกลงโทษโดยการนำร่างลงไปต้มในกระทะทองแดงพระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาโปรดไว้ได้ทันโดยกล่าวว่ากรรมใดใครก่อก็ยอมเป็นกรรมของผู้นั้นและพระพุทธเจ้า ได้มอบคำพีอิวหลันเผินให้หมู่เหรียญทองเพื่อเรียกเซียนทุกทิศทุกทางมาช่วยผู้มีพระคุณให้หลุดพ้นจากการอดอยากและทุกทรมานต่างๆได้โดยที่มู่เหรียญจะต้องสวดคำพีอิวหลันเผินและถวายอาหารทุกปีในเดือนที่ประตูนรกเปิดจึงจะสามารถช่วยมันดาของเขาให้พ้นโทษได้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชาวจีนจึงได้ถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยตลอดโดยการเส้นไหว้นำอาหารทั้งขาวหวานและกระดาษเงินกระดาษทองไปวางไว้ที่หน้าบ้านหรือตามทางแยกที่ไม่ไกลนักมีในว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของบรรดาวิญ ญ, ญาณเร่ร่อนที่กำลังจะผ่านมาใกล้ที่พักของตนในขณะเดียวกันก็ยังมีข้อห้ามต่างๆเป็นความเชื่อของชาวจีน ที่ปฏิบัติตามก็ไม่เสียหายเนื่องจากวันศาสตร์จีนตามตำราจีนบอกว่าเป็นวันที่เงี่ยมล้อทเทียนจือหรือยมพบาลจะตรวจ ด, ดูบัญชีวิญญาณของคนตายส่งวิญญาณดีขึ้นสวรรค์และส่งวิญญาณร้ายลงนรกชาวจีนทั้งหลายรู้สึกสงสารวิญญาณร้ายจึงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นรกจึงเปิดประตูเพื่อให้วิญญาณร้ายออกมารับกุศลผลบุญได้หรือเรียกกันว่า เทศกาลผีหิวเทศกาลผีหิวเป็นหนึ่งในหลายเทศกาลแบบดั้งเดิมในประเทศจีนเพื่อบูชาบรรพบุรุษโดยในมณฑลเจียงซีและมณฑลหูหนานถือว่ามีความสำคัญมากจึงมีพิธีพิเศษเพื่อลีกเลี่ยงความโกรธของผีเช่นเตรียมอาหารสามครั้งในวันนั้นคืออาหารสำหรับไหว้เจ้าที่อาหารสำหรับไหวบ้รบรรพบรุษ และอาหารสําหรับไหว้ผีเด่ร่อนหรือสัมภเวสีพวกเขาต้องการที่จะให้อาหารแกบ่บรรดาผีที่หิวโหวยที่เดินทางมาจากดินแดนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วและคิดว่าหลังจากสองสัปดาห์พวกเขาจะต้องหิวมากนอกจากนี้ยังมีความคิดว่าผีที่ถูกปล่อยออกมาจากนรกในวันแรกของเดือนถือว่าน่ากลัวที่สุดของปีเพราะพวกเขาต้องเดินเตร่ไป ร, บรอบ เพื่อสแสวงหาความบันเทิงที่แปลกใหม่ชาวจีนหลายคนกลัวจึงพยายามหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำหรืออยู่คนเดียวในเวลากลางคืนเพื่อไม่ให้มีผีหรือสิ่งลี้ลับเข้ามาโจมตีให้เกิดอันตรายได้ดังนั้นชาวจีนจึงมีประเพณีบางอย่างเป็นพิเศษในวันแรกและวันสุดท้ายของเดือนเช่นการเผากระดาษเงินกระดาษทองนอกบ้านไปวัดเพื่อบริจาคเงิน เสียสระอาหารเพื่อบูชาผีที่ไม่พึงประสงค์ที่หิวโหวยเพราะเชื่อว่าผีจะไม่ทำอะไรที่น่ากลัวแก่พวกเขาหรือสาปแช่งพวกเขาหลังจากที่กินอาหารเสียสละจากพวกเขาไปแล้วติดคมไฟสีแดงตามที่อยู่อาศัยเพราะหลายคนเชื่อว่าสิ่งสำคัญคือต้องเอาใจใส่ผีเือหลีกเลี่ยงการโจมตีจากดวงวิญญาณหมายถึงการทำความดีมีเมตตา ไม่เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบใครเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญหรืออีกตำนานที่สอนให้เราเป็นคนดีนั่นเองสัมผัสเสี่ย